การแสดงออกถึงการรับฟังอรรมเทศนาขอให้พวกเราได้กล่าวคำกล่าวคำนับการ พระพุทาพระดัสง์เพราะว่าเนื่องจากปณ น, นี้เป็นวันที่มีความสําคัญในทางพุทธศาสนาเพื่อที่จะรับฟังเรื่องราวทางพุทธศาสนาที่เป็นความสําคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนก็กระหน่นมือขึ้นปาตาังข้าพเจ้ า, ข, าจขอนามัสการนอบน้อม พ, พระพุทธเจ้าจรพระธรรมเจ้ า, จา พระสังฆาจ้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาธิคุณเพื่อปฏิบัติเป็นบูชาคุณเพื่อปฏิบัติเป็นบูชาคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีน้ำใจสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรู้แจ้งแทงตลอดในธทมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คุกประการด้วยเธอคุกประการด้วยเธอสาธุสาธุสาธุก็ขอให้ตั้งใจฟังทมเป็นการแสดงธรรมหรือว่าเทศนาธรรมและการตั้งใจฟังในเทศนาธรรมนี้ขอให้มีจิตสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาภายในตนเองสมาธิคือความตั้งใจมั่น ภาวนาคือการเจริญความเห็นการตั้งใจมั่นในการเจริญความเห็นให้ถูกต้องให้ตรงกับหลักธรรมที่ได้ยินได้ฟังจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายมหาศาลในชีวิตของพวกเราสืบเนื่องจากวันนี้เป็นวันมาฆบูชาซึ่งเป็นการบูชาในเดือนสในขนบธรรมเนียมที่ได้ถูกปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วในหมู่ของชาวพุทธเรา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นความสําคัญในทางพุทธศาสนาในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่พระพุทธองค์ทร ง, สงแสดงโอวาทปาติโมกให้กับภิกษุทั้งหลาย1250รลูกที่พระพุทธองค์ทรงอุปสมบทให้โดยพระ อ, องค์เอกที่เรียกว่าเอฏิภิขุปัตสัมภาแล้วก็ภิกษุทั้งหมดที่ได้มาประชุมกันนั้นไม่ได้นัดหมายกันมาคือมีใจอันหนึ่งอันเดียวกันที่คิดอยากจะมาประชุมกัน คือไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาประชุมกันตั้งใจว่าอยากจะไปกราบถวายความเคารพองค์สามาสัมพุทธเจ้าหรืออยากเข้าเฝ้าพุทธองค์นั่นเองความที่มีใจเป็นอย่างเดียวกันในวันเดียวมันจึงเกิดเป็นความอาศาัศจรรย์ขึ้นแล้วก็เป็นโอกาสที่พระองค์ได้อาศัยในวันนั้นได้แสดงโอวาทปาติโม่ imo, ซึ่งเป็นการแสดงโอวาทปาติโม่ imo, ตามพุทธประเพณีที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ จะต้องแสดงและบอกสอนเราพิสูจน์ทางหลายเรื่องราวในที่ที่ที่พองค์ทรงแสดงในโอวาทัปติโมกพวกเราก็ได้ยินได้ฟังรับรู้รับทราบกันมาตลอดระยะเวลาทุกๆปีวันนี้ก็มานล้ำลึกถึงเป็นธรรมะสารณนะคือเป็นธรรมะแห่งการระลึกระลึกถึงธรรมเป็นองค์คุณเป็นอนุสติในธรรมว่าพวง์ทรงแสดงโอวาทัปติโมกมีใจความว่าอย่างไร <can> การที่พระองค์ทรง ให้โอวาทปาติมโมกแก่ภิกษุหนึ่งพันสองร้ยห้าสิบรูปนั้นเราต้องเข้าใจว่าภิกษุที่ฟังโอวาทปาติมโมกอยูอ่นั้นเป็นภิกษุพระอรหันต์ล้วนและก็ประกอบไปด้วยองคุณพิเศษคือเป็นผู้สำเร็จปฏิสัมพิทายานสี่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ที่ครบเครื่องสมบูรณ์แบบในองคุณ แห่งความเป็นพระอรหันต์คือที่สุดแห่งความเป็นพระอรหันต์อยู่ที่ปฏิสัมพิทายานันว่าพระอรหันต์มีหลายประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่าสุขานิปัสกาประเภทที่สองเรียกว่าเตวิชะประเภทที่สเรียกว่าชาลปินยะประเภทที่สเรียกว่าปฏิสัมพิทัพ ป, ปะตตากคือปฏิสัมพิทายานันฉะนั้นแล้วการที่โฮมทรงแสดงโอวาทปาติโมย่อมมีความสําคัญต่อพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นด้วย และมีประโยชน์ ต, ต่อพวกเราซึ่งเป็นพุทธสาวกที่ได้ยินได้ฟังในโอวาทปฏิโมกนั้นด้วยแต่มันมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งที่พระองค์ทร ง, สงแสดงในโอวาทัปติโมกพอสังเกตในบทธรรมที่พระองค์งแสดงพระองค์ทรงตั้งโอวาทในข้อแรกว่าขันติปรละวังตะโพติติขาขันติคือความอดทนอดกั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง การทพงษ์ทรงแสดงขันติคือความอดทนนั้นไม่ได้หมายถึงว่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านไม่ได้มีความอดทนคือท่านมีความอดทนอยู่แล้วแต่การทีงษ์ทรงแสดงอว่าความอดทนเป็นตะบะอย่างยิ่งเนี่ยพงค์ไม่ได้บอกให้พระอราหันต์เป็นผู้มีความอดทนแต่พงค์ต้องการบอกพระอาหารหันต์ทั้งหลายผู้ซึ่งจะเป็นธรรมธายาธหรือ่าสืบทอดธรรมหรือว่าเผยแผ่ธรรมประกาศสัจธรรมต่อหมู่มนุษย์ทั้งหลายให้ได้ทราบ การบําเพ็ญตบะในทางพุทธศาสนาการบำเพ็ญตบะซึ่งมันมีมากมายหลายอย่างในเวลานั้นในคําพุทธกาลแม้ในปัจจุบันเองก็มีมากมายหลายอย่างในการบําเพ็ญคือการปฏิบัติทำในทางศาสนาเนี่ยพระเจ้าบอกว่าหลักการที่พระองค์ทรงให้โอวาดแก่พิสุทธิซึ่งเป็นทิศทางของพุทธศาสนาที่จะต้องยึดถือปฏิบัติตรงกันก็คือยึดถือขันติเป็นตบะการบําเพ็ญตบะ ในทางพุศาสนาจึงยกขันติขึ้นมาเป็นเครื่องบำเพ็ญคือความอดทนนั่นเองความอดทนนี้เป็นหลักธรรมที่ให้แง่คิดในการดำเนินชีวิตของพวกเราตรงที่ว่าการใช้ชีวิตของพวกเรานั้นเจ้าประสบกับความทุกข์ปัญหาเรื่องราวและสิ่งที่ไม่ไม่ได้ดังใจหวังฉะนั้นแล้วความอดทนจึงมีบทบาทมากที่เราจะนําไปใช้เพราะเมื่อเราประสบพบเจอกับสิ่งทั้งปวงที่มันไม่ได้เป็นไปตาม ความปรารถนาและเป็น ป, นปนที่พึงพอใจของเราเราจะใช้ความอดทนนี้เป็นตัวข่มจิตข่มใจและอดกลั้นแล้วองค์บอกว่าบุคคลผู้ใช้ความอดทนนี้ได้อยู่กับการเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันชื่อว่าเป็นผู้บาเพ็ญตะบะแล้วในขณาดนั้นตะบะมีความหมายว่าเครื่องแผดเผากิเลนนั่นหมายถึงว่าเมื่อเราประสบสิ่งใดก็ตามแล้วเราใช้ความอดทนกับสิ่งที่เราประสบโดยสิ่งนั้นที่เราประสบนั้น จะเป็นเรื่องที่ขัดแย้งใจเราเป็นเรื่องที่ขุนมัวทำให้จิตใจของเราไม่ปรารถนาไม่ต้องการไม่คุณประสงค์เราจะไม่ปล่อยให้อารมณ์เหล่านั้นครอบงาใจแล้วก็สร้างกิเลสสร้างปัญหาสร้างโทษไปมากกว่าการที่มันได้เกิดขึ้นกับจิตใจเราแล้วจิตใจเราแล้วก็คือว่าเมื่อมันกรอบจิตหรือเกิดขึ้นกับจิตก็ให้มันอยู่ในจิตลดับลงไปในจิตนั้น ใช้ความอดทนอดกั้นต่อสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสิ่งที่เราไม่ต้องการเนะมื่อเรามีความอดทนพระเจ้าบอกว่ า, วานั่นแหละคือเครื่องแผดเผากิเลสหรือว่าเป็นตะบะแล้วการบาเพ็ญตะบะจึงไม่ได้ไปปฏิบัติบําเพ็ญตะบะที่ไหนเลยแต่ปฏิบัติหรือว่าบําเพ็ญตะบะอยู่ในจิตใจเรานั่นแหละนั่นคือทิศทางที่พระองค์ทรง ต, งต้องการให้พุทธสาวกทั้งหลายได้เข้าใจแต่พิสูจทั้งหลายที่เป็นอ拉หันเหล่านั้นะท่านเข้าใจดีอยู่แล้วเพราะอะไร เพราะท่านบอนลุธทรมาได้ไม่ขันติความอดทนนั่นเลเพราะท่านจะต้องอดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑะและอารมณ์ในจิตสิ่งทุกคนนะมีอายตนะเป็นเครื่องสื่อทอดเรื่องราวต่างๆจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในสายตามองเห็นรูปได้ยินเสียงจมูกดมกลินล่นลินล้นลิน้มรสกายถูกต้องสิ่งต่างๆและใจรับกับอารมณ์สิ่งภายนอก ที่มาเป็นอารมณ์ในภายในตรงนี้มันจะมีทั้งพอใจหรือไม่พอใจสิ่งที่พอใจเราก็จะพร้อยตามสิ่งที่ไม่พอใจเราก็ปฏิเสธเพราะฉะนั้นแล้วการรู้จักใช้ความอดทนอดกลั้นทั้งสิ่งที่น่าพอใจและไม่น่าไม่น่าพอใจเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อพิสูจนทั้งหลายเพราะพิสูจนทั้งหลายไม่สามารถทาสิ่งต่างๆตอบสนองต่อสิ่งที่น่าพอใจได้เลยและ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มากระทบจิตอันที่ไม่แน่ไม่น่าพอใจนั้นได้เลยพิกษูจน์จริงต้องใช้ความอดทนอย่างยิ่งยิ่งกว่าชาวบ้านทั่วไปเพราะชาวบ้านทั่วทั่วไปสามารถกระทาสิ่งต่างๆที่ตอบสนองตามที่ตัวเองต้องการได้แต่พิกษุทําไม่ได้ในบางกรณีบางเรื่องบางอย่างเพราะฉะนั้นความอดทนนี้จึงเป็นการบําเพ็ญตบะที่มีความสําคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนึกถึงการบําเพ็ญอะไรสักอย่างหนึ่งในทางศาสนา จมมืดถึงความอดทนนี้เป็นสําคัญถือว่าเป็นหลักเป็นทิศทางที่ถูกต้องในความเป็นลูกสนาบและควรจะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นทิศทางในเดียวกันที่ถูกต้องตรงกันและเป็นหลักธรรมที่ควรจะยอมรับเข้ามาสู่วิถีชีวิตของพวกเราที่เราจะต้องอดทนกับความเป็นอยู่ของชีวิตของเราเพราะพวกเราตั้งหายมีความทุกข์าะเพราะชีวิตมีความทุกข์นั่นแหละถ้าเราไม่ใช้ความอดทนเราจะผ่านความทุกข์นั้นไปได้อย่างไร ความอดทนจึงสามารถทําให้เราก้าวผ่านสิ่งที่เป็นความทุกข์ต่างๆนานา ม, มากมายที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตเมื่อเราใช้ความอดทนแล้วเผชิญกับความทุกข์นั้นและก้าวผ่านมันมาได้แม้จะมีความทุกข์อีกในภายภาคหน้ามากสักเท่าไหร่ก็ตามเราก็จะรู้และมีสติปัญญาภายในตัวเองว่าเราก็ใช้ความอดทนอีกนั่นแหละแล้วมันก็จะก้าวผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้เพราะทุกข์ทั้งหลายที่เกิดกับชีวิตของเรามันไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่มันเวียนมามาเป็นบางครั้งบางคราวแตเจา้าบาตที่มันเวียนมาขนาดนั้นอ่ะหากเราขาดสติหรือขาดความอดทนก็เท่ากับว่าเราไม่ได้บําเพ็ญตะบะหรือเราไม่ได้แผ่เผากิเลสในเวลานั้นการที่จะแผ่เผากิเลสการโดยการใช้ความอดทนนี้ <c oughs> พระองค์จึงบอกว่านะเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้เลยปฏิบัติเลยเลยในชีวิตเพราะเราไม่สามารถไปแก้ไขอดีตได้และเราไม่สามารถไปทําอะไรที่อยู่ในอนาคตได้แต่เราสามารถทํา สิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเรากระทบจิตเราในขณะนี้ได้เราทำได้คือใช้ความอดทนเป็นหลักเมื่อโพลสุนต์ตรัสบอกว่าทันตีปรมังสโโพติฏฐิขานิพานังปรมังวรันติบุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหายกล่าวว่านิพานเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมหรือเป็นสิ่งที่สูงสุดในศาสนานั่นคือเป้าหมายหลักของพุทธศาสนาคือนิพานเมื่อเป้าหมายหลักของศาสนาคือนิพานสวรรค์หรือพรหมจึงเป็นเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้พวกเราไป ไปสเสวยผลหรือว่าไปปรารถานอาอนิสงของสวรรค์หรือพรมเพราะว่าสวรรค์หรือพรหมน่ะยังตกอยู่ในวะตะัตจการเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นแล้วการที่พระองค์ทรงบอกว่านิบนัตินงประมังวัดันติพุท ธ, ธานั่นเท่ากับพระองค์ทรงชี้เป้าหมายของศาสนาที่เราจะต้องรับรู้ ร, รับทราบร่วมกันว่าเป้าหมายในชีวิตที่เราดําเนินตามหลักคาสอนของศาสนานั้นคือพระนิพพานนั่นหมายถึงว่าการดับการเกิดในชีวิตของเราน่ย เราต้องยุติการเกิดให้ได้เพราะเป้าหมายของลัทธิอนาชีไปทางนั้นทีนี้มันก็เลยเกิดปัญหาว่าก็พระพุทธเจ้าทรงสอนพระนิพพานนั่นแหละการการมีเกิดนั่นแหละคนจึงไม่ค่อยจะเลื่อมใสกันเพราะคนเลือมปรารถนาการเกิดอยากจะเกิดเนี่ยเาบอกว่าจะเกิดยังไงก็ตามนะสุดท้ายแล้วการเกิดที่เราเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเนี่ยเราจะได้เจอสิ่งที่เป็นความทุกข์ในขณะที่เราได้เกิดเมื่อเราได้เจอสิ่งที่เรา แบบที่เป็นความทุกข์ในขนาที่เราได้เกิดเนี่ยถามว่าเราพอใจหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าไม่พอใจเมื่อเราไม่พอใจแล้วเราจะพอใจกับการเกิดทําไมหรอเพราะ พ, พอเราไม่พอใจในความทุกข์เพราะความทุกข์มันมีมาเมื่อหลังจากเกิดแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไม่อยากจะทุกข์ก็ไม่ต้องมาเกิดนั่นคือเป็นความรู้หรือว่าเป็นหลักทางศาสนาที่สมเหตุสมผลที่เราควรจะยอมรับด้วยเหตุและผลแต่ถ้าเราใจของเรามามา ใจที่มีความอยากความหลงมงงานอยู่ภายในเนี่ยมาเป็นเครื่องวัดคำสอนพระเจ้าเอาใจพองเรามาวัดไม่ได้ต้องเอาเหตุผลมาวัดเพราะพระผู้เจ้าบอกว่านิพพานคือสิ่งที่เราจะต้องสแสวงหาไม่ใช่ไปสแสวงหาสิ่งที่ให้มันได้สมใจหวังตามใจหวังสมความปรารถนาเป็นไปตามความต้องการทุกสิ่งทุกอย่างลาบสักกา ร, าสาการะสิ่งอะไรก็ตามที่จะสามารถโดนประดานให้กับชีวิตเราเราก็จะปรารถนาสิ่งนั้นแล้วก็จะอะไรลืมพระผู้รเจ้าลืมหลักคําสอนแล้วไปอยู่กับ สิ่งที่เราอ้อนวอนแล้วเราได้สิ่งนั้นเพราะอะไรเพราะพระนิพพานไม่ได้อะไรแต่มันได้าการดับทุกข์ตรงนี้เราไม่เข้าใจเราเข้าใจว่าการที่เราได้สิ่งต่างๆสมความปรารถนามันจะดับทุกข์กับเราได้นั้นเป็นความเข้าใจผิดและเป็นการใช้ความรู้สึกที่อยู่เหนือสติปัญญาปราบใดก็ตามที่เราใช้ความรู้สึกให้อยู่เหนือสติปัญญาปราบนั้นเราจะเป็นผู้ใช้ชีวิตอย่างไร้เหตุผลเราจะไม่มผีผลกับตัวเองแม้แต่ตัวเองเราก็ขัดแย้งกับตัวเองได้ พอเราไม่อยู่กับหลักแห่งความเป็นจริงเพราะเราเราเราไม่ได้เอาความรู้ทางพุทธศาสนาเข้าไปใช้กับชีวิตของเราเมื่อพระองค์ทรงบอกว่านิพนธ์คือเป้าหมายของพุทธาสนาพระองค์จึงไม่อํานวยผลให้มนุษย์ได้ทางด้านการดนบันดาลแต่พระองค์ทรงชี้หลักธรรมหรื่า แสดงหลักธรรมให้มนุษย์สําเร็จผลได้ด้วยการกระทาของมนุษย์เองนั่นหมายถึงว่าสิ่งใดๆก็ตามที่จะเป็นความสําเร็จในชีวิตของมนุษย์สิ่งนั้นมนุษย์จะต้องลงมือกระทาเองไม่ใช่ไปอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบัลลังเพราะการทําสิ่งเหล่านั้นบางคนก็สําเร็จผลบางคนก็ไม่สําเร็จผลคนที่เขาสาเร็จผลแท้ที่จริงก็ไม่ได้สําเร็จจากการอ้อนวอนหรือหากสาเร็จจากการอ้อนวอนได้จริง ก็เป็นการสําเร็จที่ไม่ได้เกิดจากความภาคเพียนของตนการที่เราได้รับสิ่งใดใก็ตามที่ไม่ได้เกิดจากความภาคเพียนของตนสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ทําลายตัวตนของตัวเองคือศักยภาพภายในตัวของเรานั้นน่ะมันจะถูกทํำลายไปเพราะชีวิตเราจะอิงอยู่กับสิ่งภายนอกเมื่อชีวิตของเราอิงอยู่กับภายนอกตัวเราก็ตกเป็นทาสของสิ่งที่เราอิงอยู่จิตเราจิตใจเราจึงอ่อนแอเพราะฉะนั้นพระองค์ทรง ส, งสอนให้พวกเราทั้งหลาย ดำเนินชีวิตโดยอยู่บนพื้นฐานของกฎแห่งกรรมเรียกว่าการกระทำสิ่งใดก็ตามที่เราจะได้มาและเป็นความสําเร็จจะต้องสําเร็จด้วยการกระทําที่เราลงแรงลงกายลงใจที่วงสงชงใช้ชกับว่าอะไ ร, รว่าอาบเหงือต่างน้ําในการกระทําถึงขนาดการใช้ยาเหงื่อในการแลกมามันถึงจะเป็นผลสําเร็จและนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่า ความอดทนภายในจิตที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเราและเราจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้นั่นจึงจะเป็นตัวตนที่แท้จริงอันสมบูรณ์ของเราที่จะสร้างเส้นทางและเป้าหมายที่ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาให้เราดําเนินไปสู่วิถีแห่งการวิติการเวียนว่ายตายเกิดและดับความทุกข์กับชีวิตของเราได้นี่คือสัจจคติที่พระองค์ทรงสอนไว้ไฉะนั้น พงจึงไม่อยู่ในสถานะของผู้โดนบรรดาให้ไครและไม่อยู่ภายใต้การประทานความสำเร็จจากการอ้อนบอนของไขรผู้ใดแต่ทีนี้ชาวพุทธทั้งหลายที่มีความมักง่ายก็มักง่ายไปตามกระแสข่านิยมหวังการรอผลโดนบันดานก็ขอให้ทราบว่านั่นคือเขาปฏิบัติผิดจากหลักของพุทธศาสนาและไม่เข้าใจเป้าหมายของพุทธศาสนาชัดเจน เขาก็ทําไปตามพิ่ีของเขาสิ่งเหล่านั้นเราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ถือว่าเขาไม่เข้าใจหลักคําสอนเท่าด้านเองฉะนั้นพวกเราซึ่งได้รับฟังในเวลานี้ก็ขอให้ยึดถือหลักและเป้าหมายคําสอนที่พุทธศาสนาคือพระเจ้าเราเนี่ยได้ชี้ไว้แล้วก็คือพันิภัาน์คือเป้าหมายในชีวิตของพวกเราต่อมาพระองค์ก็สอนกล่าวโอว่าอีกในบทนะทาว่า สัพปะปะปัสสะอาักลานังกุสะรสูปะสัปปะดาสกิตตะปริโยปรปะนังเอตังปุธานา ส, าาสนาก็คือพูดง่ายๆก็คือละบาปบำเพ็ญกุศลแล้วก็ชำระจิตให้ผ่องใสละบาปเราก็ละกั น, นวันนี้เราก็ปารบการทำกุศลขณะแห่งจิตที่ปลารบการทำกุศลขณะจิตใดที่ตั้งใจอยู่ จะตั้งใจตั้งแต่เมื่อคืนหรือวันไหนก็ตามว่าจะมาทําบุญในวันนี้ขณะที่ปาลลบนั่นแหะขณะที่คิดอยู่นั่นแหะอกุศลถูกละไปแล้วคือบาปมันถูกละไปแล้วเขาเรียกว่าละบาปทําบุญคือกุศลจิตเกิดขึ้นบุญเกิดขึ้นแล้วนะเกิดขึ้นทีละนิดจนนํามาสู่การทําบุญในวันนี้ก็เกิดขึ้นมากมายมหาศาลบาปก็ถูกละไปทีละลําดับทีละระดับทีละลำดั บ, ลลด บ, ลลดบและในโอกาสที่เราได้ฟังธรรมเทศนานี้ บาปบางประการที่ยังครอบงาใจเราอยู่อันเกิดจากความหลงผิดยึดถือผิดปฏิบัติผิดบาปเหล่านั้นก็ค่อยๆลดคลอนไปด้วยความรู้ที่เราได้ยินไปฝั่งนี้นั่นคือการละบาปแล้วก็บำเพ็ญบุญยังกุศลให้ถึงพร้อมกุศลก็คืออโลพะอโทสะอโมหะเรียกวุศลสังเกตว่าการที่พองษ์ทรงตัดสอนอย่างนี้พงษ์ไม่ได้สอนพระอราหารันต์เ พ, อพอราะพระอรหันต์ท่านไม่มีบาปหรือว่าท่านก็ไม่ไดทาบุญอะไรอีกแล้วกุศลแล้วท่านก็ไม่ไดเจริญอีกแล้ว แต่ท่านสอนพระอาหารหันต์เหล่านั้นน่ะท่านไม่ได้สอนเพื่อให้พระอรหันต์ปฏิบัติตนประพฤติตนให้อยู่ในโอวาทแต่การที่พระองค์ทรงสอนอย่างเนี้ที่แท้ที่จริงแล้วก็เพื่อให้พระลานทั้งหลายมาบอกพวกเราให้เราเข้าใจวิถีแห่งความเป็นอยู่ของชีวิตที่เราจะต้องรู้จักละบาปแล้วก็ทำกุศลสังเกตว่าคำว่ า, าบาปเนี่ยแทนที่จะมาคู่กับบุญแต่ในข้อธรรมเนี้ยบาปมันมาคู่กับกุศลบาป บุญมันจะต้องคู่กั น, นกุศลอกุศลจะต้องคู่กันอันเนี้ยคือคือคือธรรมที่เป็นคู่แต่ปรากฏว่าในบทธรรมนี้พระองค์ทรงพูดไปที่บาปว่าให้ละบาปแล้วทํากุศลทําไมบทธรรมทึงไม่ไม่ได้มาคือข้อธรรมเนี่ยไม่ได้มาคู่กันเราแล้วคำว่า บ, บุญหายไปไหน <c oughs> แท้ที่จริงแล้วเมื่อเรารู้จักการปารบกุศลเออขออภัยปารบบุญที่จะทําบุญนะะั่นแหะบาปก็ถูกละ การทำบุญจะเป็นการละบาปคือมันเป็นการละอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วโดยอัตโนมัติแต่การที่โบบอกว่ายังกุศลไห้ถึงพร้อมนั่นคือมันเป็นอีกระดับหนึ่งนั่นหมายถึงว่าเราทําบุญอย่างเดียวยังไม่พอทําบุญละบาปอย่างเดียวยังไม่พอต้องยังกุศลให้ถึงพร้อมกุศลคืออะไรคือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเรียกว่ากุศลโลภโกรธหลงเรียกว่าอภุศลเนี่ยไม่โลภ ไ, ไม่โกรธไม่หลง ก, ก็เราอยู่ในวิถีพู้โลภอยู่เราจะไม่โลภได้อย่างไรในความหมายของพระเจ้าก็คือว่า เราอยู่ในวินิจฉัความโลภแต่แสดงออกถึงความโลภนั้นโดยการไม่โลภโลภมาจากคําว่าลาภโลภแปลว่าลาภคือการได้มาสแสดงหาสิ่ง ต, ต่างๆให้ได้มาสิ่งที่เราได้มาน่ะก็เรียกว่าลาภหรือลาบนั่นเองลาบก็เมื่อได้มาม า, มากแล้วไม่เพียงพออยากได้ยิ่งขึ้นไปโลภแล้วทีนี้แล้วเมื่อโลภแล้ว ก็ถูกต้องเราก็ต้องโลภเราก็ต้องพยายามสร้างสิ่งต่างให้ได้ยิ่งยๆขึ้นไปพุทธเจ้าก็ทรงสอนอุทานสัมปทามันในการสแสวงหาอารักษสัมปทารู้จักรักษาทรัพย์ที่สแสวงหามาได้กัญยาณมิตตาพบบิด ท, ที่ดีแล้วก็สมาชีวิตาใช้ชีวิตให้พอสมควรแก่ทรัพย์อันที่ได้มา ก, ก็ถูกต้องแล้วนี่เราจะต้องสร้างการสร้างงานให้มันได้ยิ่งยๆขึ้นไปแล้วทํายังไงถึงจะเป็นกุศลละ่ะก็แสดงออกถึงความไม่โลภ ไม่โลภยังไงเมื่อได้ทรัพย์มาก็รู้จักเผื่อแผ่ทรัพย์นั้นหรือว่าแบ่งปันทรัพย์ของตนไปถึงแก่ผู้อื่นผู้ที่เราควรที่จะให้มันแสดงออกถึงความไม่โลภก็คือยังกุศลตัวเนี้ยเมื่อไม่โลภก็เป็นกุศลแล้วอะโลภะอโทสะไม่โกรธคาว่าไม่โกรดนั้นไม่ใช่ว่าไม่ได้มีความรู้สึกไม่โกรธแต่ความรู้สุรู้สึกโกรธอ่ะมันเป็นภาวะหนึ่ง ที่มันต้องเกิดขึ้นกับจิตหรือว่าเป็นอารมณ์ที่ต้องแสดงออกภายในแต่เราจะไม่โกรธตอบหรือไม่โกรธเพื่อร่วงอคุศนคือไม่ได้โกรธจนเป็นไปเพื่อความพยาบาทอาฆาตจองระจองรากจอ ง, จองวินยัยความโกรธมันมีตามเหตุปัจจัยที่มันเกิดต่อสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราแต่เราจะไม่โกรธตอบต่อสิ่งเหล่านั้นนั่นหมายถึงว่าความโกรธปล่อยให้มันเกิดขึ้น เมื่มันเกิดขึ้นก็ให้ทราบการเกิดขึ้นของความโกรธแล้วก็ความดับไปของความโกรธการที่เราไม่โกรธตอบเป็นการสร้างกุศลแล้วทําให้กุศลนี้ ถ, ถึงพอโมหะ ค, คือความหลงโลภะ อ, ระ อ, ระอรารมะอโทสอาโมหะ ไ, ไ, ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเรายังมีความหลงในการยึดถือตัวของเราอยู่เมื่อเรามีความหลงในการยึดถือตัวของเราอยู่เราจะไม่อาศัยความหลงผิดที่เรายึดถือในตัวของเราไปสร้างเวรสร้างกรรมสร้างบาปต่างๆนานาให้มันเป็นไปในด้านของอกุศลทั้งหลาย แม้เราจะหลงอยู่แต่เราก็สแสดงออกถึงความไม่หลงงมงายในวิถีชีวิตที่เราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราทําบุญก็ชื่อวันลบับบาปการมาฟังธรรมจึงเป็นเครื่องแก้ไขความหลงของชีวิตได้เป็นอย่างดีแม้เราเคยหลงมาเราอาศัยการฟังและการไต่ตองตามหลักธรรมนี้มันก็จะไปถ่ายถอนความหลงที่เราเคยยึดมั่นถือมันในตัวตนของเราว่ากายเป็นเราเราเป็นกายกายมีเน้เราเรามีในกายเรา ก, กับกายเป็นอะไรเดียวกันเพื่อที่จะ ทำให้จิตของเราได้มีเครื่องเตือนสติในภายในปีหนึ่งฟังครั้งนึงก็บุกเตือนนครั้งนึ่งก็ยังดียังดีกว่าไม่ได้ยินที่ฟังอะไรเลยอย่างน้อยก็ยังได้ความรู้ภายในจิตในใจจะยังไม่ถึงขั้นละก็ยังไม่เป็นไรก็สะสมไปเรื่อยๆในนี้เพราะฉะนั้นในหลักคําสอนนี้เป็นโอวาทที่พุทธยอดถ่ายทอดสู่พิสูจที่เป็นอารหันต์แล้วพิสูจทั้งหลายเหล่านั้นก็จะนํามาถ่ายทอดกับพวกเราแล้วการที่พงศง ให้โอวา่าในขั้นต่อมาคืออนุปวาโดอันุปคาโตปฏติโมเขจะสร้างวโลมัตตันวิตาจะพัตตสงปันตันจะสยนาสนังอธิจิตเตจะอายโภโพเอตังบุทานาศาสนาไม่รู้ว่าบทธรรมนี้ถูกแค่ไหนจำมาก็ได้ไม่เต็มบริบุรณเท่าไหร่เพราะว่าความทรงจำไม่ค่อยดีแต่ก็จะบอกว่าบทธรรมบทนี้เป็นบทที่บอบอกให้รู้ลักษณะ ของความเป็นอยู่ของพระพิสูจน์หรือว่าสถานะของพระภิสูุน์นั่นเองอนุปวาโดอนุปคาโตการไม่ไมว้าร้ายไม่กล่าวร้ายใครปาติโม่แค่จะสร้างบัลการสรํารวมในพระปาติโม่อธิติเต จ, จะอายโยโฌชำระจิตตัวเองอยู่ตลอดเวลาเป็นเป็นเป็นก็แล้วว่าเป็นสภาพของพระภิสูุนั่นหมายถึงว่าเป็นเครื่องบอกบอให้เราได้เห็นสถานะความเป็นิสูุน์ว่าพิสูจควรมีอยู่เป็นอยู่หรือว่าใช้ชีวิต อยู่ในสถ า, านะอย่างไรการว่าร้ายการกล่าวร้ายการไม่สํารวมถือว่าไม่ใช่สถ า, านะของความเป็นพระพิสูจเพราะพระพิสูจจะต้องเป็นผู้มีความสํารวมในพระปาติโมกปาติโมกก็คือหลักพระวินัยทั้งหมดถ้าจะพูดถึงปาติโมกรายละเอียดแยกย่อยมันมีมากปาติโมกสามบอลสํารวมในพระปาติโมกมันถ้าจะพูดถึงก็สองรยี่สิบเจข้อซึ่งเป็นพระวินัยของพิสูจพวกเราก็ไม่ได้ รู้ทั่วถึงขนาดนั้นเราก็รับทราบไปเป็นบางข้อเท่านั้นเองจานั้นแล้วสถานะพระพิสุจะเป็นอยู่อย่างไรก็อยู่ในบทธรรมข้อนี้เพราะฉะนั้นโอวาทปฏติโมกทั้งบทที่พระองค์ทรงให้โอวาทในวันนี้จึงมีความสําคัญกับพวกเราทุกคนที่เป็นพุทธสาวกที่ควรจะรับรู้รับทราบรับฟังแล้วอาศัย หลักคำสอนนี้สร้างประโยชน์และเป็นคุณค่าให้กับชีวิตของพวกเราและควรจะนาไปสร้างคุณค่าในชีวิตจริงๆของพวกเราให้ได้ไม่ใช่ว่ารับฟังรับทราบเข้าใจแต่ไม่นำไปใช้มันก็ยังไม่เกิดประโยชน์หากเรานำไปใช้แล้วมันก็จะเกิดประโยชน์ความอดทนคือตะบะเครื่องแผเพากิเล การละบาปบําเพ็ญบุญไม่ใช่การละบาปการทํากุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็การชําระจิตให้ผ่องใสการชําระจิตให้ผ่องใสหรืออธิบายไปการชําระจิตให้ผ่องใสเขเริ่มตั้งแต่ให้ทานสมาทานพระรัตนตรัยสมาทานศีลทําสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาเมื่อให้ทานในคราวครั้งใดจิตก็ผ่องใสในคราวครั้งนั้นก็ก็ถือว่าเป็นการชําระจิตในวันนี้พวกเราก็ได้ทำครบถ้วน ตามโอวาทที่พระองค์ทรงสอนไว้แล้วเราก็เข้าใจสถานะของความเป็นพระพิสูจน์ที่เราได้เข้ามาทําบุญว่าเราได้ทําบุญกับพิสูจนผู้อยู่ในโอวาทของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็จะนํามาซึ่งบุญกุศลอันมากมายคําว่าบุญนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวโยงกับชีวิตของเราทุกๆขนาดเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันเกิดจากบุญไม่ได้เกิดจากบาปเกิดจากบุญเป็นผู้อาํานวยให้ได้มาเกิด แม้จะมีบาปติดตามมาที่จะสร้างปัญหาสร้างเรื่องราวต่างๆวุ่นวายมันก็ต้องตามมาด้วยด้วยผลของกรรมที่เราได้กระทำแต่บุญของเรามันมีมากกว่าเราจึงสามารถผ่านความทุกข์ความยากลำบากและปัญหาต่างๆในชีวิตมาได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่สร้างบุญต่อหรือไม่บำเพ็ญบุญให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นเรื่องอานวยผลให้กับชีวิตของเรา ให้9ผ่านปัญหาอุปสรรคสิ่งที่เป็นบาปที่เราเคยทำมาที่มันจะคอยแทรกในแต่ละขณะของชีวิตบุญที่เคยทำมาก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปไม่เพียงพอต่อการที่จะลดทรกระแสะแห่งบาปแล้วจะทำให้ชีวิตของเราเกิดความทุกข์ยากลำบากเพิ่มมากขึ้นการทำบุญจึงเป็นเครื่องพยุงชีวิตและคอยแก้ไขบรรเทาทุกข์ในชีวิตที่เราเป็นอยู่ ไม่ให้ประสบความทุกข์มากแต่เราจะยึดบุญโดยส่วนเดียวก็ไม่ได้รู้จักทาบุญเพื่อแก้ไขบาปแล ะ, จะเจริญสติจเจริญปัญญาเพื่อไทยถอนความยึดมั่นถือมั่นภายในตัวของเรานี้ไม่ให้ยึดมั่นถือมัน่นจนทำให้เราเกิดความหลงผิดยึดติดอยู่กับกายสังขารที่ไม่จรลังหาวอและจะทาให้เราหนีพ้นออกไปจากการเยียนว่ายตายเกิดไม่ได้เราทำบุญแล้วก็ ประพฤติธรรมเจริญสติจเจริญปัญญาภาวนาขึ้นมาให้เป็นความรู้ในจิตและคุณสมบัติในจิตนี้จะทำให้เราพัฒนาตัวเองไปสู่หลักสัจจ์อันเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ก็คือพระนิพพานที่เป็นเป้าหมายทางพุทธศาสนานั่นแหละในโอกาสในการแสดงธรรมเนื่องในวันมาฆบูชาในวันนี้อาตมาก็อธิบาย แง่ธรรมในโอวาทปาติโมในทัศนคติที่อาตมาได้อธิบายไว้เป็นแง่มมุมส่วนตัวเพื่อให้เราได้เข้าใจและรับทราบเป้าหมายและจุดประสงค์ของโอวาทปาติโมนี้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ซึ่งตรงกับวันนี้เมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วอาตมาขออธิบายทำไว้แต่เพียงเท่านี้จะขออวยพรให้กับพวกเราทุกคน ขออํานาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลบุญกุศลที่เกิดจากการถาวายพัตตาหารหานเมื่อเชา้านี้บุญกุศลที่เกิดจากการถวายกองทุนอันเป็นปัจจัย4ี่แด่สงบุญกุศลที่เกิดจากการรับฟังธรรมเทศนาบุญกุศลที่เกิดจากการสแสดงธรรมของอาตมาขอบุญทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้จงมีฤทธิ์มีอนุภาพ ติดตามปกปักรักษาคุ้มครองพวกเราทุกคนให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพ้นจากความเดือดร้อนทั้งปวงพ้นจากเวรภัยทั้งปวงพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเข้าถึงแต่ความสุขความเจริญตราบเข้าสู่พระนิพพานในเบื้องหน้าทุกท่านเธอ